ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายหาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คือในลักษณะผู้แสวงหาวิธี การดับทุกข์หรือสแสวงหาความรู้เรื่องความดับทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์ซึบต่อไปบัรนี้เราได้มานั่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ ขอให้เทือความหมายให้ได้ด้วยว่าในการที่มันนั่งกันอยู่ในลักษณะกลางดินอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นความสมควรหรือเหมาะสมเพราะว่าธรรมะนี่เรียกได้ว่าเกิดกลางดิน รู้ได้ตรงที่พระพุทธเจ้านั่นอ่ะประสูดกลางดินสัตรูร้กลางดินสอนกลางดินจนกระทั่งกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดนั่นอ่ะเป็นการสัจสอนกันกลางดินพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่อยู่พื้นดิน ไม่ใช่อยู่เป็นเรือนสูงเป็นชั้นไม่ใช่แล้วในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินคอยรู้ความหมายคำว่ากลางดินว่ามีเกียรติสูงสุดอย่างไรกลางดินเนี่ยเป็นที่ประสูตรตรรู้ แล้วก็สั่งสอนนะที่อยู่อาศัยที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าพอเราได้มานั่งตางดินอย่างนี้ควรจะมีจิตใจที่เข้าใจเป็นจิตใจที่เหมาะสมมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทแล้วก็อย่าพุ้งซ่าน โดยเป็นของแปลกประหลาดว่ามานั่งกลางดิน <c oughs> มีแต่จะทำในใจถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินศัตรูกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินแล้วก็นิพพานกลางดินเ <c oughs> ส ม, มือนกับเราได้นั่งอยู่ที่ทนั่งที่นอนที่อะไรของพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกัน ถ้าคิดอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้จิตใจนี้ก็เหมาะสมมากที่สุดที่จะศึกษาธรรมะจะฟังธรรมะจะไข้ครวนธรรมะจะเข้าใจธรรมะคือมีจิตใจให้เหมาะสมกับที่ว่าจะอยู่กลางดินเพื่อความอยู่กลางดินมาเป็น มาตรฐานของจิตใจในเวลานี้ที่นี่ก็จะพูดถึงข้อที่ว่าความดับทุกข์นั่นคืออะไรถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะธรรมะน่ะคืออะไร ก็ตอบได้ว่าธรรมะธรรมะนั่นนะมันคือระบบการดับทุกข์ความรู้และการปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นั่นแหละคือธรรมะไม่ใช่หมายถึงเสียงที่แสดงธรรมหรือว่าหรือว่าสวดร้องท่องบนกันเอง หรือพิมพ์อยู่ในกระดาษเป็นต้นนั่นเป็นบันทึกบันทึกของธรรมะ <c oughs> แต่ตัวธรรมะแท้ๆมันคือระบบ ก, การปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้ถ้าปฏิบัติดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมาก่อนดังนั้นมันจึงรวมเอาความรู้ความเข้าใจเข้าไว้ด้วยในระบบความดับทุกข์ <c oughs> ท่านทั้งหลายต้องการมากเกินไปต้องการอะไรก็ไม่รู้มากเกินไปไม่ได้ต้องการเพียงความดับทุกข์เรื่องมันเลยยุ่งจะเอานั่นจะเอานี่จะปฏิบัติเอานั่นเอานี้จะปฏิบัติอย่างนั่นอย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้มุ่งหมายฉเฉพาะเจอะจงว่าจะต้องการในความดับทุกข์มันก็เลย ไม่พบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์แม้ว่าเวลาได้ล่วงมาเป็นปีๆก็ยังไม่เคยพบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์ <c oughs> ในความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญคือเป็นตัวพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นตัวด้วยเป็นหัวใจด้วยเป็นอะไรหมดเลย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ทาคดกล่าวแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่เรามันสนใจกันมากเกินไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือชอบเรื่องที่แปลกประหลาดที่เข้าใจไม่ได้ที่มีลักษณะเป็นศักดิ์สิทธิ์ครัง้งเป็นปาฏิหาริย์เปืนอะไรทํานองนั้นมันก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านไม่รู้จับจบ ก็เลยไม่มีเรื่องดับทุกหรือไม่มีธรรมะที่เป็นความดับทุกนี่อขอให้ตั้งใจกันเสียใหม่ว่าเราจะมุม่งหมายเอาเรื่องความดับทุกให้เข้าใจและปฏิบัติให้จนได้คือจนดับทุกได้ ที่นี่มันก็มาถึงเรื่องความทุกข์คืออะไรจะดับกันอย่างไรจะดับกันที่ไหนให้ความทุกข์ทุกเนี่ยคานี้เป็นภาษาบาลีมีอยู่สองความหมายเป็นทุกข์นี่ความหมายหนึ่งคือเจ็บปวดเป็นทุกข์ทนทรมานนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ ที่นี่อีกความหมายหนึ่งมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้หมายถึงตัวเจ็บปวดทรมานนะแต่หมายถึงมันลักษณะแห่งความทุกข์ซึ่งมีคำกล่าวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงอืมีเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ในความทุกข์ ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แม้ความสุขก็เป็นสังขารดังนั้นความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของหลอกลวงเป็นของขอบกัดเอาบุคคลงโง่ที่เขาไปยึดเถือว่าความสุขของกูนั่นจึงกล่าวว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ แ่แต่สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตวิญญาณจิตใจอะไรเช่นก้อนหินเหล่านี้ก็กล่าวได้ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ <c oughs> คือมันเปลี่ยนแปลงสึกร อ, อกรอนไปด้วยนนอำนาจของความเปลี่ยนแปลงจากวันหนึ่งมันก็จะไม่มีก้อนหินเหล่านี้แต่ที่นี้มันช้าหน่อยไอ้คนก็ไม่ค่อยสังเกตหรือเข้าใจไม่ได้ เช่นว่าก้อนหินเหล่านี้แต่ก่อนนี่มันก็ไม่มีแล้วมันก็เพิ่งมีนี่มัน ก, กำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่มีมันมีลักษณะแห่งความทุกข์นี่คำที่เราพูดกันว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมีสองความหมายอย่างนี้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ นี่ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าใครไปจับช่วยเอามาเป็นของจนมันจะกัด <c oughs> คนนั่นทันทีคือมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดเป็นความทุกข์อย่างเจ็บปวดขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวทุกข์จริงๆ <c oughs> สิ่งที่มีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนะ่ยไปยึดมัน่นถือมัน่นว่าตัวเราของเราก็ามันกัดเอาทันทีนจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ <c oughs> ที่ว่ามันมี ความทุกข์เนี่ยเพราะมันหนักนึกถึงเมื่อเราถือของหนักเมื่อเราเหิ้วหาบแบกทูลอะไรก็ตามเว่า ถ, ถือของหนักเพราะมันหนักแล้วมันจึงเป็นทุกข์ยังไงถ้าวางเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์ <c oughs> เดี๋ยวนี้จิตใจของเราไปยึดถือเอา หลายอย่างหลายสิ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นของตนเรียกว่าเอามาถือไว้เอามายึดถือไว้เช่นยึดถือขันห้าว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเร า, เร า, เราวิญญาณของเราเท่าไปยึดถื อ, ถอเอาในจิตใจว่าของเราอ่ะมันจึงหนักแก่จิตใจนี่ถ้ามันอยู่กันแต่ขันห้า ใจิตใจไม่ไปยึดถือเอาว่าของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์นั้นท่านจึงกล่าวว่าปันจุปาทานาขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือเบญจขันธ์ที่ยึดถือเอาโดยอุปาทานว่าเราว่าของเรานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่เป็นจขันธ์นั้นมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแ่ะไม่ว่าอะไรที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันสงเคราะห์กับได้ในเบญจขันธ์ หรือจะพูดเป็นธาตุสีก็ได้ธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้มันก็เป็นของที่ยึดถือเอาว่าตัวตนเป็นของตนไม่ได้หรือจะเอาของภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะไปยึดถือว่าเป็นของตน่ะมันจึงเป็นทุกข์ทันทีคือคือเป็นของหนักขึ้นมาทันที รูปเสียงกิ่นรสผดผ้าธรรมารมทั้งหกนี้ประยึทธ์ถือเป็ของตนข้ามันก็เป็นของหนักขึ้นมาทันที <c oughs> ไม่ว่าอะไรถ้าประยุท์ถือข้าวแล้วมันก็เป็นของหนักทั้งนั้นซึ่งจะเปรียบได้ง่ายๆก็เช่นว่าเราจะถือหือหิ้วก้อนหินมันก็หนัก แมื้เราจะหิ้วทองคําแทง่แทงทองคํามันก็หนักหรือเราจะหิว้วหรือถือเพชรพลอยก้อนเพชรก้อนพลอยมันก็หนักมันไม่มีอะไรที่ว่าที่ถือหรือหิว้วคนแรกจะไม่หนักของไม่มีค่าเลยเห็นก้อนหินที่ไม่มีค่าเลยดินทรายก็ตามไอหิ้วข้าวมันก็หนักของที่มีค่ามากที่สุดเช่นเพชรพลอยง oy, เงินทองอะไรต่างๆ ไปหิ้วเข้ามันก็หนักถ้าไม่หิ้วมันก็ไม่หนักท่านจึงกล่าวว่าการยึดถือของหนักนันมันเป็นทุกข์การวางของหนักลงเสียเป็นความสุขเช่นเช่นเช่ น, ชนกำลังกัดกลุ่มอยู่ในจิตใจด้วยเรื่องอะไรอะไรที่เป็นตัวกู้ที่เป็นของกู้โกรธคนนั่นอยู่ ด้าคนนี่อยู่หรือกุ้มอกกุ้มใจอยู่นั่นแหละมันไปหมายมันอะไรเป็นของตนแล้วมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็โกรธมันก็กัดกุ้มนี่พอวางเสื้อวางเสี้สลัดออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยอมเป็นของกูไม่ให้มาเป็นของกูมันก็เบาทันทีเหมือนกับเราโกรธอยู่พอสลัดเรื่องนั่นออกไปเสี้ยมันก็หายโกรธมันก็เบาทันที เธอรักหนักอกหนักใจอยู่พอสลัดออกไปเสียว่าไม่ใช่ของกูมันก็เบาทันทีนี่เรียกว่าวางของหนักลงเสียก็จะไม่ทุกเรียกว่าความสุขถ้ายึดเทือของหนักไว้มันก็เป็นทุกข์มันช่วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เองท่านคอยทุกคนหาสังเกตดูให้ดีในชีวิตของตน แต่ละวันแต่ละวันนะต้องศึกษาจากชีวิตของตนแต่ละวันแต่ละวันนั่นเองจะไปเอาเรื่องข้างนอกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดเพราะว่าความทุกขนะ์มันทุกข์อยู่ที่จิตใจซึงอยู่ข้างในจิตใจอยู่ข้างในถ้ามีความทุกข์มันมีความทุกข์อยู่ที่จิตใจ ดังนั้นมันต้องมองลงไปที่จิตใจให้เห็นว่าจิตใจมันยึดถืออะไรอยู่จึงกําลังเป็นทุกข์อยู่เช่นคนนี้กําลังเป็นทุกข์อยู่ในเรื่องเงินทองข้าวของยุ่งยากอาจจะสูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนนี้กําลังเป็นทุกข์อยู่ในเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องหบุดพภรรยาสามีเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนเป็นทุกข์อยู่ในเกียติยศชื่อเสียง นัก อ, อกหนักใจเพราะเรื่องเกีดยรติยศชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเรื่องนี้ที่เราจะตั้งปลดความยึดถือในสิ่งนั้นนั่นออกไปเสียไม่ให้เป็นตัวเราของเราให้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จัดการให้ดีชนิดที่ไม่ต้องยึดถือว่าตัวเราว่าของเราจะจัดจะทําไปอย่างไรก็ทําไปเรื่องข่าวของเงินทองทรัพย์สมบัติ ลูกหลานบุตรปัญญาสามีเกติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆจัดไปกระทําไปตามที่ควรจะทําโดยไม่ต้องหมายมั่นให้มาเป็นตัวคู่ของกูแล้วมันก็ไม่ทุกไม่มีความทุกข์แล้วก็จัดแจงสิ่งต่างๆไปได้ยังจะทํานาก็ทําให้สนุกไม่ต้องยึดถือหมายมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกข์จะทําสวนกว็เหมือนกัน ทำไปให้สนุกอย่าให้มีจิตชนิดที่ยึดมัน่นถือมันนั่นนี่ให้เป็นตัวครูเป็นของครูแล้วเป็นทุกข์ฟังดูคล้ายๆเขาว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่เพ้อฝันเลื่อนลอยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทําได้ถ้าไม่ทําก็ต้องเป็นทุกข์เทนั้นมันไ ม, ไม่มีทางอื่นแล้วคือถ้าไม่สลัดออกไปเสียเอามายึดถือไว้มันก็คงเป็นทุกข์เท่านั้นอะไรสักนิดหนึ่งก็ต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ไม่จะมากมายมหาศาลอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ทำไปได้ี่ไปหัดอะหมาจะทำนาทำสวนจะฆ่าคายจะทำรัชจการจะทำการงานอะไรก็ตามจะเป็นกรรมกรทำงานหนักก็ตามทงานเบาก็ตามไม่จะนั่งขอทานอยู่ก็ตามจย่าได้มีจิตยึดมั่นหมายมัม่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกู ให้มันเป็นของธรรมชาติเป็นของเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเราควรจะได้อย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราควรจะจัดอย่างไรก็จัดอย่างนั้นแต่อย่ากล้าไปคิดให้เป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะกัดเอาทันทีแม่ที่เด็กว่าดีหรือบุญบุญสนอะไรก็เหมือนกันท่านสอนไม่ให้ยึดมัน่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทำไป ต้องการเงินก็ทำไปได้เงินต้องการความสะดวกสบายก็ทำไปได้ความสะดวกสบายแม้ว่าสิ่งที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เ ป, เป็นตัวกูหรือของกูดังนั้นท่านจึงมีบุตรภรรยาสามีได้โดยไม่ต้องยึดมัน่นหมายมัม่นให้เป็นตัวกูของกู อย่างนี่ก็มีเป็นเรื่องที่รวมอยู่มีใจความสำคัญอยู่ที่ความยึดมัน่นถ้ามายึดมั่นเป็นตัวครูของครูแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์คือไม่มีเรื่องหนักอกหนั ก, นกใจร้อนใจหมุนมองใจอะไรเลยทุกคนนจะอยากจะรู้ธรรมะอยากจะดับทุกข์นั้นจงตั้งหน้าตั้งตาสังเกตรักษา จิตของตนดูที่จิตของตนว่ามันกำลังยึดถืออะไรถ้ามันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยมันกำลังยึดมั่นถือมันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสม อ, อข้นใหนพบยังสละมันเสียชีวันนี้หนักอกหนักใจอยู่ในเรื่องใดก็ไม่รู้แต่ว่ากลุ้มใจหนักอกหนักใจร้อนใจก็ดูที่ดูดูดูนั่งดูหยุดดู มันต้องมีเรื่องที่ประยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นใจเป็นตัวกูให้เป็นของกูให้ได้อย่างใจกู้ <c oughs> ถ้าอยากจะเป็นทุกข์ก็ทําต่อไปคือยึดมั่นต่อไปถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็สลัดออกไปตั้งจิตใจใหม่ทําสิ่งนั่นใหม่โดยที่ไม่ต้องใ <c oughs> ห้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนเรื่องนี้มันยากมันยากไม่ใช่มันง่าย แต่ถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ยากมันก็เป็นการง่ายได้เหมือนกันถ้ามันโง่มากเกินไปมันไม่รู้เรื่องนี่เลยมันก็ยากหละมันยากยิ่งกว่าอะไรมันไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้ามันเคยชินอยู่ในการที่มองเห็นเรื่องยึดมั่นถือมั่น ถ้าเกลียดกลัวเรื่องยึดมัน่นถือมั่นไม่เกลียดไม่กลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละวันละวันนี่กำหนดจิตไว้ดีตลอดวันว่ามันมีความทุกข์ร้อนอะไรมีความทุกข์ร้อนไหมถ้ามีความทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนวยเรื่องอะไรทุกคราวที่มันสะดุดเรื่องนั้นสะดุดเรื่องนี้ ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงมีสะดุดกี่เรื่องถ้าสะดุดแล้มันเรื่องยึดมั่นถือมั่นถึงนะสะดุดจนเป็นทุกข์ตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นกี่เรื่องค่าแล้วก็จะนอนก็กี่เรื่องมันจะมีมากเรื่องถึงเป็นความทุกข์เป็นความหมุ่นมองเป็นความร้อนอกร้อนใจนี่ดูให้ดีมีกี่เรื่องเมื่อไรก็คนให้พบว่ามันยึดมั่นถือมั่นอะไรมันทําผิด ในขอน้อนี้แล้วก็หยุดความรู้สึกยึดมัน่นถือมั่นเหล่านั้นเสียไม่ว่ามันเป็นทุกข์ด้วยสิ่งที่เราจะต้องมีเช น, นเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันเป็นทุกข์เป็นห่วงวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าบางทีก็ตายไปก็ <c oughs> สลัดออกไปเสื้อทีก่อนที่ก่อนทีสลัดออกไปจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้จิตใจปกติให้จิตใจปกติเสซะก่อนนะจึงค่อยคิดว่าจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรมันจะมีว่าอย่างไรจะเก็บอย่างไรจะรักษาอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรนี่มันก็ได้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากคนที่จิตใจหยาบหยาบกระด้างนั่นคงจะทําไม่ได้ แต่คนที่โง่มากเกินไปก็คงจะทำไม่ได้คนที่หลับหูหลับตาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องความยึดมัน่นถือมั่นจะเลยนี่มันก็ทำไม่ได้แต่คนธรรมดาสามัญคนปกติคนตามธรรมดาปกติมีความรู้สึกคิดนึกสติปัญญาตามปกติมันควรจะทำได้มองให้เข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เงเพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เอาก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะแก้ปัญหาจะต่อสู้จะเป็นความเป็นคดีถอยความบนโรงบนศาลอะไรก็ตามสลัดจิตใจที่มันยึดมั่นและเป็นทุกข์ออกไปซะก่อน ถ้าทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะทําได้ดีแล้วมันก็จะชนะไม่ใช่ว่าไปไหม้มั่นเอาคำมันเอาให้มั่นตายเอาให้มันนี่ก็เป็นทุกข์มันก็ไฟเผาอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะชนะแล้วมันเป็นทุกข์เสพเปล่าๆจึงเป็นอันว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะตั้งมองดูจิตใจของตน ช่วยฟังดูให้ดีๆช่วยฟังดูให้ดีๆว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องมองดูจิตใจของตนให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรมันกำลังบ้ามยึดมั่นถือมันนั่นนี่อยู่เป็นปืนเป็นไฟหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมันก็จะเห็นชัดลงไปว่าพระยึดมั่นถือมันอะไรอยู่มันก็เป็นทุกข์มันก็ไฟเผา ถ้ามันไม่ได้ยึดมั่นถือมันมันก็ปกติมันก็ปกติมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดความทุกข์คือเป็นปกติแต่ทีนี้มันทาไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันยังโง่เกินไปเพราะมันเคยชินแต่เรื่องจะยึดมั่นถือมั่นหรือมันอวดดีว่าต้องยึดมั่นถือมั่นกูจะต้องยึดมั่นถือมั่นกูไม่ยอมกูจะต้องเอาอย่างนี่ให้ได้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์แหละมันช่วยไม่ได้ มันมีใครช่วยได้นี่ขอให้ยอมรับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจดูจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมันมายึดมั่นถือมันอะไรก็ดีอยู่แต่ถ้ามันไปยึดมั่นถือมันอะไรเข้าก็ให้มันสลัดเสียสละเสียให้จิตใจปกติมายึดมั่นถือมั่น เป็นจิตใจที่สบายทำงานสนุก ท, ทำงานสะดวกทำงานสบายจะทำงานก็สนุกจะพักผ่อนก็สนุกจะทำอะไรก็มันสนุกเพราะมันรู้ว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันไม่เป็นทุกข์มันรู้ว่าถูกต้องแล้วมันไม่เป็นทุกข์นี่ถ้าเป็นทุกข์มันก็คือไม่ถูกต้องถ้าไม่เป็นทุกข์มันก็คือถูกต้องแล้วทัที่ไม่เป็นทุกข์กับถูกต้องแล้วมันสิ่งเดียวกันเราจะมองในงี้่า ไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าถูกต้องแล้วก็ได้ดํ <c oughs> ารงจิตไว้ถูกต้องแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยมิฉะนั้นมันจะมีความทุกข์เต็มไปหมดมีทรัพย์สมบัติก็เดือดเป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติบัวควายไรนาอะไรก็เป็นทุกข์เพราะบัวควายไรนาเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอะไรทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่น นั่นมีโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นใช้จ่ายกินเก็บรักษาโดยไม่ต้องมีจิตใจที่ยึดมั่นถือมัน่นอย่างนั่นแหละจะเบาสบายไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลากลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่มีความทุกข์ทรมาน <c oughs> จริง มีหน้าที่ที่จะต้องคอยระวังจิตไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นตามธรรมดามันจะเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบมีอะไรมากระทบทางตาหรือมีอะไรมากระทบทางหูมีอะไรมากระทบทางจมูกมีอะไรมากระทบทางลิ้นมีอะไรมากระทบทางผิวหนังมีอะไรมากระทบทางจิตใจเอง เรากระทบแล้วมันโง่เมื่อมันโง่มันก็เกิดความปรุงแต่งในจิตใจชนิดที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเสมอทุกทีไปเนี่ยเนี่ยโดยโดยย่อยอมเป็นอย่างนี้พอมันโง่มามีอะไรมากระทบแล้วมันก็จะคิดในทางยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวครูของคูเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องของตัวครูของคูทั้งนั้นอย่างนี้ช่วยไม่ได้ใครๆก็ช่วยไม่ได้ต้องเป็นทุกต้องมีความทุกต้องเป็นทุก ช่วยไม่ได้ <c oughs> ถ้าย้ายเป็นอย่างนั้นแต่รู้สึกว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรจะต้องจัดการอย่างไร <c oughs> จะต้องแก้ไขอย่างไรก็ทำไปหรือไม่ต้องการทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็เลิกอะไรถ้าต้องการจะจะต้องทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้ก็ทำไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเองเมื่อมันมากระทบแล้วต้องฉลาดให้ทันเวลาคำว่าฉลาดให้ทันเวลานี่เป็นพาเป็นหลักสากลนถือกันทั่วไป <c oughs> ทั้งโลกไม่ไม่ใช่าศาสนาไม่ไม่ใช่เรื่องาศาสนาเขาก็มีหลักว่าฉลาดให้ทันเวลา ทันเวลาคือทันเวลาที่มันเกิดเรื่องเกิดเรื่องคือมันมีอะไรมากระทบถ้าฉลาดไม่ทันเวลาชาไปมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วอ่ามันก็ยังเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เสียตั้งฉลาดฉลาดไม่ทันเวลาเพื่อฉลาดให้ทันเวลานี่เขาก็ฝึกสติเขาฝึกสตินะคือให้มันฉลาดทันเวลาให้สติมันเร็วมันนำความรู้มาโดยเร็วแล้วก็ทันเวลา นี่แหะเป็นเหตุให้เขาฝึกวิปัสสนาหรือธรรมกรรมฐานกันที่ให้ถูกก็คือฝึกสติฝึกสติให้สติมากพอรวดเร็วมันก็เลยฉลาดทันเวลามีอะไรมากระตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ฉลาดทันเวลารว่อย่างนั้นเองเท่านั่นเองเช่นนั่นเองมันเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่ต้องเป็นทุกข์จัดการ ก็ทำไปในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์แม้ว่าจะเป็นของรุนแรงรวดเร็วเจ็บปวดอยู่ในจิตใจไม่เจบปวดอยู่ที่ตรงไหนก็ตามใจนะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็โอ้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทของเราประสบระบบประสาทเขานั่ก็รู้สึกอย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมดา เาใความเจ็บเป็นตะโกาความเจ็บเป็นของอะไรสังขารเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติธรรมดายาให้มาเป็นของตัวกูของกูเ <c oughs> มื่อเป็นดังนี้ความเจ็บมันก็จะน้อยแล้วมันก็ไม่มาทำไมเป็นทุกข์อย่างรุนแรงอย่างเต็มที่อะไรเกิดขึ้นมีสติทันทีว่ามันเป็นตา ม, ตามธรรมชาติเฉนนั่นเอง เช่นทางตารูปสวยๆมาก็้เช่นนั่นเองกูไม่ไปหลงรักกับมันไม่สวยมามันก็เช่นนั่นเองไม่ไปหลงโกรดหลงเกลียดกับมันเสียงที่ไพเราะมาก็เช่นนั่นเองไม่ไปหลงรักกับมันเสียงที่ไม่ไพเราะมาก็เช่นนั่นเองไม่ไปหลงเกลียดหลงโกรธมันตินหอมตินเหม็นก็เหมือนกันมันก็เช่นนั่นเองไม่ไปหลงรักหลงเกลียดกับมัน อร่อยหรือไม่อร่อยที่ลินก็เช่นนั่นเองไม่เป็นหลงรากหลงเกลียดให้บ้ากันมาที่มาสัมผัสผิวหนังที่มาอยูว่นวโยนที่สุดนิ่มนวลที่สุดก็เช่นนั่นเองแข็งกระด้างเจ็บปวดก็เช่นนั่นเองทําจิตใจปกติเสียก่อนแล้วยังคิดว่าควรจะทําอย่างไรควรจะโยนทิ้งไปเสียทือควรจะจัดการอย่างไรควรทําอย่างไรก็ทําไปด้วยสติด้วยสติเลยไม่ไมีคว า, ามทุกข์ นี่ยังไงถ้ามีสติแล้วมันปองกันได้อย่างนี้นั่นจงฝึกคำมัธยฐานฝึกวิปัสสนาแล้วก็ตาให้มีสติ <c oughs> อย่าบ้าฝึกบ้าบ้าบ่เพ้อเจ้อจ ะ, จะเห็นนรกจะเห็นสวรรค์จะได้วิเศษจะได้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ครั้งอ ย, อย่างนั้นไม่ทำอะไรก็จะได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าแล้วมันก็ไม่ได้สติด้วยมันก็ไม่มีสติอที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ด้วย ฝึกให้มีสติสําหรับจะควบคุมความปกติของจิตใจให้คงปกติแลว้วรู้อะไรเป็ น, อ ะ, ปน อ, ะอะไรตามที่เป็นจริงรู้อะไรอะไรตามที่เป็นจริงถ้าเกิดรู้สึกขึ้นมาแก่ระบบประสาทก็มันแก่ระบบประสาทเท่านั้นเนอะมันฉันนั้นเองอย่าให้เอามาเป็นตัวคู่ของคูเลยก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่จะว่าเรื่องส่วนตัว โดยบุคคลโดยเรื่องส่วนตัวของบุคคลรู้จักทําอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ส่วนเรานะ่ะไม่ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ก็เพื่อนน่ะผู้อื่นที่เป็นเพื่อนฝูงที่อยู่ในโลกร่วมกันก็ต้องมีการกระทําชนิดที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันเมื่อเราไม่เป็นทุกข์แล้วอย่างไร แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่เป็นทุกข์ด้วยอย่างนั้นด้วยอันนี้มันก็เลยสมบูรณ์คือบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนเองบำเพ็ญทั้งประโยชน์ผู้อื่นแล้วทุกคนไม่เป็นทุกข์ในโลกนี้ในจักรวาล น, นี้ไม่มีใครจะเป็นทุกข์ก็มีแต่คนประพฤติถูกต้องตามธรรมะาโดยกันทั้งนั้นแล้วไม่มีใครเป็นทุกข์มันก็พอแล้ว มันถ้าคืนต้องการมากกว่านี้มันเป็นคนบ้าบ้าแล้วถ้ามันต้องการมากไปกว่าว่าทุกคนเป็นสุขแล้วก็ควรจะพอทุกคนไม่มีใครเป็นทุกข์ดับทุกข์ของตนของตนได้กันทุกฝ่ายแต่ทุกคนมันก็ควรจะพอแล้วอืถ้าต้องการเกินไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของความโง่ความหลงเรื่องเรื่องของกิเลสมันก็ป่วยการ เอาแต่ there, ว่าทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีไม่มีความทุกข์ <c oughs> จนตลอดวันตลอดคืนนี่มันอยู่ที่ว่าทําหน้าที่ถูกต้องหมดทําหน้าที่ของตนถูกต้องหมดไม่เผลอไม่เกิดตัวกูของกูในเรื่องอะไร <c oughs> ว่าตื่นนอนขึ้นมาก็มีใจคอปกติไม่ให้โกรธแค้นขัดแค้นอารมณ์ค้างอยู่เรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นตัวกูของกูใจคอปกติถูกต้องแล้วตื่นนอนขึ้นมาอืมเนี่ยเรไปไหนสมมติเราไปถ่ายจาระไปถ่ายปัสสาวะก็ะทำอย่างดี ไม่มีชนิดที่สะ ด, ดุดขัดแค้นอะไรปกติตามธรรมดาคนโง่ๆนั้นมันก็ถ่ายทรงเดชไปองั้นไม่ได้รักษาความถูกต้องว่าทําอย่างไรถูกต้องทําอย่างไรดีที่สุดในการถ่ายจาระพศาวะแต่ถ้าเป็นคนมีสติ <c oughs> เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาก็ทําดีที่สุดเหมือน <c oughs> แม้แต่การถ่ายจาระปัสสาวะเนี่ยก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่จะดีได้ไม่เกิดโรคไข้ข่ายเจ็บเพราะการถ่ายแรงเกินไปหรือไม่ทำาสกรปรกเพราะไม่รักษาความสะอาด <c oughs> นี่เรียกว่าแม้แต่จะถ่ายจาระปัสสาวะไปถูกต้องทุกกกะเบีดนิ้วจนกระทั่งออกมาจากห้องถ่ายจาระจะไปอาบน้ำ มก็อาบน้ำอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดโดยสติสัมปชัญญะที่สุดถ้าตักรถโดยขันก็ทุกๆขันเนี่ยพอใจถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดพอใจจนเสร็จการอาบน้ำก็ออกมาจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจไปกินข้าวแต่เวลาที่กินอาหารนั้นน่ก็ถูกต้องและพอใจไม่คัดคัดไม่เครียดคัด อขัดใจเด้อพอคำนี้ไม่อร่อยก็เกิด โ, โห่ๆคำนี้อร่อยก็เกิดความลุ้งไหลเปลิดเพลินมีใจิตใจขึ้นลงขึ้นลงกว่าจะกินข้าวอิ่มนั่นนะมันเหมือนกับว่าขึ้นลงขึ้นลงลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่ตั้งหลายหลายครั้งกว่าจะอิม่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอย่างนั้น ถ้าคำนี้มันอร่อยก็เช่นนี้เองก็กินถ้าควรกินก็กินไม่ควรกินก็ไม่ควรกินถ้าคำนี้ไม่อร่อยก็มันเช่นนี้เองรสชาติมันเช่นนี้เองของมันเช่นนี้เองมีประโยชน์ก็กินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินหรือว่าผลไม้นี่กินับประกันเข้าไปมันเปรี้ยวอืก็รู้ว่ามันผลไม่อย่างนี้มันรสมันเปรี้ยวนี่จะทำอย่างไงมันก็ต้องเปรี้ยวสิถ้าไม่ต้องการจะกินก็ไม่กินก็ไม่ต้องโกรธก็ไม่ต้องขัดใจ ถ้าเห็นว่ามันเปรี้ยวเช่นนั้นเองมันก็กินได้ออันนี้มันจืดเนี่ยมันก็กินได้มันไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดขัดใจตลอดเวลาที่กินอาหารเสร็จแล้วก็รสึโอ้ถูกต้องดีที่สุดถูกต้องดีที่สุดแล้วก็พอใจเนี่ยที่นี่จะทำงานจะไปทำงานด้วยความรู้สึกมีสติมีสติมีสติ อยู่ตลอดเวลาจะลงบันไดเรือนไปขึ้นรถไปทำงานนั่งอยู่ในรถกว่าจะถึงที่ทำงานก็ถูกต้องและพอใจถึงที่ทำงานแล้วก็เตรียมจิตใจพรอ้อมอย่างยิ่งเจะทำให้อย่างดีที่สุดมีสติสมัชัญยะที่สุดไม่เกิดขัดเครื่องขั ด, ข ด, ข ด, ข ด, ขดใจไม่ลงไหลไม่ยินดียินร้ายก็พูดเป็นภาษารวมๆก็เยกว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องยินดียินร้ายนี่จึงทางาน โดยใจคอที่ปกติแล้วมีกำลังใจมากโดยที่รู้ความจริงว่าไอ้หน้าที่การงานนั่นแหละคือตัวพระธรรมหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ถ้ารู้สึกอย่างนี้ก็ทำงานสนุก แต่คนโง่คนขี้เกียจคนไม่ซื่อตรงต่อตัวเองไม่ได้รักการงานทำเพราะจําใจมันทําไม่ได้หละ่ะมันคิดอย่างนั้นไม่เป็นนะมันไม่ได้รักการงานเพราะการงานนี่เป็นของสูงสุดคือเป็นธรรมะมันทําโดยฟื้นทำฟื้นใจทํามันอยากจะไปเที่ยวมันอยากจะไปกามารมมันอยากจะไปทางนูน้นมันก็จําใจทํางานว่าตกนรก <c oughs> อยู่ตลอดเวลาที่ทํางาน <c oughs> แต่ถ้ามองเห็นการที่เป็นจริงว่าหน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะคือมันช่วยให้รอดสิ่งที่จะช่วยเรารอดนัคือหน้าที่การงานที่เราทําสําเร็จนั่นเองจะไปหวังให้พระเจ้าที่ไหนมาช่วยเทวดาผีสางที่ไหนมาช่วยจะโง่จะถูกเขาหลอกสู้เขาหลอกให้จ่ายเงินเพื่ออ้อนวอนผีสางเทวดาซึ่งเสียหายกันมามากมายนักหนาแล้วยิ่งไปจ้างเทวดามาช่วย ถูกเขาหลอกอย่างนี้ในสิ่งที่จะช่วยให้รอดนันคือหน้าที่หน้าที่ที่ทาดีแล้วทําถูกต้องแล้ว <c oughs> หน้าที่นะ่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่อธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เรื่องหน้าที่แล้วสอนเด็กๆว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ถูกแล้วเพราะเด็กๆสอนอย่างนั้นมันมันฟังง่ายกว่า แต่ที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรื่องหน้าที่ทั้งนั้นแหละคนนั้นทําหน้าที่อย่างนั้นคนนั้นทําหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่สูงสุดมันก็คือรักษาจิตดูแลจิตอย่าให้เกิดทําผิดอย่าให้เกิดความทุกข์นั่นหน้าที่สูงสุดที่จะทํากรรมฐานทำํำวิปัสสนานนคือหน้าที่สูงสุดคือควบคุมจิตรักษาจิตไว่ายไม่ให้ผิดพลาด ก็เป็นหน้าที่รวมความแล้วหน้าที่ก็คือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดจากความทุกข์จงอยู่ในหน้าที่ที่ถูกต้องก็ทำให้สนุกทำให้สนุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดนี่ทำงานก็สนุกทำหน้าที่ก็สนุกก็ทำได้ดีก็ทำได้มากไม่เหมือนคนจาใจทำ เขาไม่รับจะทําแต่มันฟื้นทำมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ต้องฟื้นทำอย่างนี้มันก็ทรมานไปจะทารู้สึกว่าทําหน้าที่นี่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์ก็ทําให้สนุกแล้วก็มีความสุขเสียเมื่อกําลังทําหน้าที่นั่นเองกําลังทําหน้าที่อยู่นั่นเองมีความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอันแท้จริงไปเสีย ให้มันก็ได้ได้ความสุขจริงถ้าไม่เอามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เคยได้แล้วมันก็จะไม่ได้โดยประการท่างๆเพราะั้นเมื่อทำหน้าที่ข้างตนให้สนุกนั่นแหละให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเสียในขณะที่าทกาลังทำหน้าที่ในพน ง, งานก็ได้ความสุขก็ได้ความสุขก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องออกไปหาความสุขที่ไหนอีกไม่ต้องไปเอาเงิน ไปซื้อหาความสุขที่นันอีกเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินถ้าซื้อได้ด้วยเงินแล้วมันก็เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความสนุกสนานอะไรอร่อยเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นซื้อได้ด้วยเงินอจนเงินไม่พอแล้วเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าความสุขที่แท้จริงแล้วมันมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเงินซื้อหาไม่ได้แล้วมันไม่ต้องการเงินเงินก็เหลือ ถ้าเราทาจิตให้มีความสุขที่แท้จริงอยู่เมื่อทําหน้าที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่ตลอดวันตลอดคืนเลยเงินไม่ต้องใช้เพื่อซื้อหาความสุขเงินมันก็เหลือนั่นความสุขที่แท้จริงนี่เป็นของให้เปล่าความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นต้องซื้อด้วยเงินมากมายจนหมดเนื้อหมดตัวนี่เฉยให้ฟังกันให้ดีๆมาถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันไม่ต้องใช้เงินเลย มันจะได้เปล่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงมายาเป็นเรื่องอ ร, อร่อยสนุกสนานเติมเตินแล้วมันต้องใช้เงินแล้วก็ใช้ามากยิ่งอร่อยมันก็ยิ่งไม่คิดอะไรได้มันลุ่มหลงไปในความหลอกลวงมันก็ใช้เงินจนหมดเนื่อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินต้องคดโกงต้องคดโกงจนต้องเดือดร้อนต้อง หมดเนื้อหมดตัวบ้างาถูกทอดถูกจับใส่คุกใส่ตารางบ้างเพราะไปบูชาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงจนเงินไม่พอใช้จนต้องโกงนถ้ารู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุด เ, เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำอพอได้กระทาก็พอใจพอใจก็ต้องเป็นสุข ควรจะเข้าใจชัดเลยว่าความสุขนี่มาจากความพอใจถ้าไม่พอใจไม่มีความสุขพอใจมากก็เป็นสุขมากพอใจน้อยก็เป็นสุขน้อยพอใจอย่างบริสุทธ์ก็เป็นสุขบริสุทธิ์พอใจคดโกงหลอกลวงก็เป็นความสุขที่หลอกลวงถ้าพอใจอย่างกิเลสมันก็เป็นความสุขหลอกลวงเป็นความมายาหลอกลวงของกิเลสความพอใจนั้นต้องถูกต้อง ตามทางธรรมไม่ใช่ไปเอาเรื่องหลอกลวงมาทำความพอใจหรือจะแก้ตัวพวกอันธพาลว่าเรามีหน้าที่ปล้นจี้ขโม ย, ยเราจะทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็พอใจอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของอันธพาลแล้วมันก็ไปจบอยู่ในคุกในตารางโดยไม่ต้องสงสัย ถ้าเป็นคนปกติมันก็รู้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาเนี่ยพรู้อันนี้มันเลวมันชั่วมันผิดไม่มีใครต้องการถึงพวกอันธพาลมันก็รู้ว่านี่ชั่วผิดแต่มันฟื้นทำเพราะมันบังคับกิเลสไม่ได้เพราะมันอยากจะได้ความหลอกลวงมันไม่ต้องการความสุขที่แท้จริง อันรพาลนั่นมันต้องการความสุขทิแท้จริงมันก็ไปหางานทาแล้วพอใจชื่นใจในขณะที่ทำงานแล้วมันก็เหลือ ก, กินเหลือใช้ไม่ใช้อะไรมันก็ตังเนื้อตังตัวได้เรื่องนี้สำคัญมากอขอให้จำาว้ให้แม่นนะว่าหน้าที่หน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่การงาน ก็ทำแล้วก็พอใจก็บูชาธรรมะบูชาหน้าที่การงานจะทําหน้าที่การงานอาะไรยกมือไหว้ทีหนึ่งก่อนจิตใจก็จะได้มั่นคงอ <c oughs> ยังเข้าไปในห้องจะทํางานยกมือไหว้ห้องทํางานนั่นทีหรืออย่างดีว่าไปไถนานี่พอจะไถนาไหว้ควายไหว้ไถ ท, ทีหนึ่งแล้วก็ไถนาอย่างนี้จิตใจจะมั่นคงจะเป็นสุขมั่นคงที่สุด ไม่ต้องกลัวใครหัวเราะเยอะว่าคนบ้าถ้าเรารู้ความจริงว่าหน้าที่การงานนั่นคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั้งหลายสั่งสอนให้การงานเนี่ยช่วยให้รอดดัง น, นั้นการงานทั้งหลายก็คือพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดแล้วก็บูชาการงานพอ ถ, ถึงเวลาจะทํางานอ่ะ สำรวมใจดีมันก็ตั้งนาโมศัพท์สาปะกวโตสํรวมสติให้ดีแล้วก็ทำการงานไม่ต้องบอกใครก็ได้ทำอยู่ในใจก็ได้ทังรวมจิตใจดีที่สุดแล้วก็ทำการงานจะทำสวนทานาจะค่าคายจะทำกรรมกรจะทำอะไรก็ทำตั้งจิตใจให้ดีอย่างนี้แล้วก็มีความสุขมีความสุขตลอดเวลา จนหมดเวลาการงานเป็นสุขอยู่ที่การงานตลอดเวลาที่ทํางานเอาเลิกงานกลับบ้านก็พอใจพอใจถูกต้องแล้วกลับมาด้วยความพอใจทุกข้าวอยางจะมากินข้าวจะมาอาบน้ําจะมาถ่ายจาระถ่ายภาสาวะก็อย่างเดียวกันอีกทําอย่างเดียวกันอีกมีแต่ความพอใจไปในทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจ อทีนี้พอถึงเวลาจะนอนจะนอนคิดบัญชีวันนี้ถูกต้องแล้วพอใจกี่เรื่องผิดพลาดไม่อาจจะถูกต้องพอใจกี่เรื่องถ้าเห็นโอ้มันถูกต้องพอใจทุกเรื่องก็ยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองอ น, นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่แท้จริงเี่ยคือเมื่อรู้สึกว่าทำถูกต้องหมดไม่มีผิดพลาด ใหมีแต่ความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองนั่นเป็นสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่ไม่หลอกไอ้สวรรค์ต่อตายแลวนั่นไม่แน่สวรรค์บางอย่างมันหลอกลวงสวรรค์เพื่อเจอเต็มบริยกามารมมันก็หลอกลวงเ <c oughs> ดี๋ยวนี้นเป็นสวรรค์ที่เยือกเย็นเยือกเย็นถูกต้องและพอใจอยู่ในตัวเอง อยู่ในสวรรค์พักอยู่ในสวรรค์โดยแท้จริงตลอดเวลาที่รู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วเพอใจถูกต้องแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกคืนทุกคืนที่จะนอนยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างนี้นั่นคือไหว้หมดนไหวเพระพุทธไหว้พื่อธรรมไหวเพระสงฆ์ไหวบิดามารดาไหวครูบาอาจารย์ไหวอะไรกี่ไหวกี่ไหวมันมารวมอยู่ในคําว่าไหว้ตัวเองได้ มีความดีถึงที่สุดจนยกมือไหว้ตัวเองได้จะเป็นสวรรค์ไอ้นรกก็คือเมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองเคทําอะไรมาแล้วรู้สึกเกลียดน้ำหน้าตัวเองว่านั่นเป็นนรกนรกจริงเหมือนกันนรกอย่างนี้ไม่ใช่นรกต่อตายแล้วนรกที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เมื่อทําอะไรจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองนึ้นระวังอย่าให้มีเลยทําอะไรแล้วเกลียดตัวเองอ่ะมันเป็นนรกอย่าให้มีเลย <c oughs> ให้มีแต่ว่าทาแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นของที่แน่นอนสวรรค์จริงนรกจริงสวรรค์นรกสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจเขาพูดไว้ถูกต้องแล้วแต่คนโง่มันฟังไม่ถูกสวรรค์ในอกนรกในใจคนโง่โง่เหล่านั้นมันฟังไม่ถูก มันคิดว่าตายแล้วนลยจึงจะไปสวรรค์ตายแล้วเลยจึงจะไปนรกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสงบสุขส่วนนรกจริงๆสวรรค์จริงๆใน ใ, ในใจอยู่ในใจจริงนี่กลับไม่เห็นกลับไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นคนโง่เกินโง่ถ้ามันโง่ขนาดนี้แล้วมันรู้ทำไม่ได้หรอกเพราะมันโง่เกินไปจนเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจมันยังรู้จักไม่ได้นี่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันรู้สึกไม่ได้ แล้วมันจะไปรู้ธรรมะที่ละเอียดที่ลึกซึ้งสูงกว่านั้นได้อย่างไรนั่นเรีบรู้จักไอสิ่งที่ควรจะรู้จักในเบื้องต้นก่อนนี่แหละให้ ด, ดีเมื่อใดทำชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันนั้นเป็นสวรรค์ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เมื่อใดทำจนเกลียดตัวเองอิจนาละอาใจตัวเองมันต้องเป็นนรกที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันอย่าให้มีเลยนะรกชนิตนี้ ให้มีแต่สวรรค์ที่พอนึกแล้วพิจารณาแล้วก็ชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่พูดถึงว่าเวลาจะนอนเป็นเวลาสําคัญเวลาคิดบัญชีแต่ละวันแต่ละวันพอจะนอนคิดบัญชีมีแต่เรื่องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ ยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์แล้วก็หลับไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขอันแท้จริงนี่ลองคิดดูเงินมันเกิดจะไม่ต้องใช้น่ะเพราะมันเป็นสุขเสร็แล้วเมื่อทำงานรู้สึกพอใจในการงานที่ทำไอ้ที่จะซื้อหากามารมไปเที่ยวกามารมมันไม่มีมันไม่รู้จะทำไปทำไมมันเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องร้อนมันเอาไว้แต่เรื่องเย็นคือเรื่องของความถูกต้อง เห็นได้ชัดว่าถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจก็เป็นสุขความเป็นสุขเกิดมาจากความพอใจความพอใจเกิดมาจากความถูกต้องนั้นเราจรึงมีหนะ้าที่ระวังอย่างยิ่งรักษาอย่างยิ่งให้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นให้มีแต่ความถูกต้อง ทั้งหมดนี่อยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ได้อยู่ที่วัดที่ว่าหรือไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเนื้อตัวร่างกายจิตใจมันอยู่ที่ไหนไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ที่นั่นจงมองเข้าไปข้างในมองไปที่จิตใจคือจิตใจมองจิตใจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้มีแต่ความถูกต้องอย่ามีความผิดพลาดนี่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัททิ่แท้จริง เขามีจิตใจยอย่างนี้แล้วก็คือมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนพระธรรมมีจิตใจเหมือนพระสงฆ์ก็จะเอาอย่างไรเล่าเขาก็ถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เพราะความที่มีจิตใจเหมือนกันนั่นเองนั้นใครอยากจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงก็รีบทมอย่างนี้จิตใจมีแต่ความถูกต้อง แล้วก็พอใจยินดีปรีดาปราโมทเป็นสุขเมืองจิตใจของพระพุทธจิตใจของพระธรรมจิตใจของพระสงฆ์เนี่ยความทุกข์ไม่มีแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้แก่จิตใจชนิดนี้เป็นความดับทุกข์เยือกเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาเรียกง่ายๆออย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นชีวิตที่เย็นนั่นแหละคือนิพพาน ชีวิตที่ร้อนนั่นคือสังสารวัติหรือนรกจัดทำทุกอย่างทุกประการจนให้มีชีวิตเยือกเย็นมีชีวิตเยือกเย็นพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกเมื่อนึกถึงตัวเองเวลายกมือไหว้ตัวเองได้ทันทีนี่ชีวิตเย็นไม่มีความทุกข์เลยหมังว่าท่านทั้งหลาย คงจะได้พยายามทําความเข้าใจเสียโดยเร็วให้ได้พบกับความเยือกเย็นเป็นที่พอใจนี่เสียโดยเร็วยายตายเปล่ายายเกิดมาตายเปล่า <c oughs> ไม่ต้องมองไปที่ไหนไม่ต้องวิ่งไปมาที่ไหนมองแต่ในจิตใจมองแต่ในจิตใจให้พบวิธีที่จะควบคุมไห้ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่น ไม่เกิดความหลงไม่เกิดความโง่โดยเฉพาะทุกขณะที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่กระทบของสิ่งข้างนอกนะมันมันเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องมีนี่ เมื่อมันมีมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบเนี่ยคือรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นอผดทับภาพมากระทบผิวหนังอความรู้สึกมากระทบใจมันต้องมีกระทบเราก็ต้องจัดการในเมื่อมันมีการกระทบนั้นอย่าให้มันโง่อย่าให้กระทบด้วยความโง่อย่าให้ความโง่เข้ามาจัดการความคิดนึกมันก็ไม่ปรุงแต่งไปในทางยึดมั่นถือมั่น มันหยุดมันสงบอยู่ในความถูกต้องมันทำอยู่แต่ในความถูกต้องมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยถ้าเผลอสติปล่อยไปในตามเรื่องราวธรรมชาติที่เผลอสติมันก็มีแต่ความโง่มม่มีความโง่ความคิดกับปรุงแต่งไปในทางกิเลสทั้งนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นความยึดมัน่นถือมันมม่นหมายมั่นเป็นตัวคูของคูกร้อนเป็นไฟนี่เรื่องมีเท่านี้ ถ้ามีสติควบคุมไว้ได้ก็เย็นเย็นเป็นความเย็นไม่พูดว่าเย็นเหมือนน้ำหรเพราะมันยิ่งกว่าน้ำ <c oughs> นี่ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาเพื่อสแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์จงได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีประโยชน์คือจะเอาไปเป็นที่พึ่ง แก่ตนได้เป็นเครื่องทำที่พึ่งให้แก่ตนได้ให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความถูกต้องและพอใจทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทุกขณะนับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาไปท่ายจาระบัสาว่าไปอาบน้าไปกินข้าวไปทำงานไม่ได้สุดแต่จะล้างจานจะช่วยล้างจานบ้างก็ยังมีความสุข พระรู้สึกว่าเป็นหน้าที่หน้าที่มันก็เป็นธรรมะก็ถูกต้องและพอใจนั้นการที่จะช่วยคนใช้ล่างจานถูเรือนอะไรบ้างก็พอใจก็ถูกต้องและพอใจรือทางานสูงขึ้นไปก็ถูกต้องและพอใจไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องและไม่พอใจมันก็มีแต่ความสุขแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เงินก็เหลือเงินที่เป็นผลงานก็เหลือจะเอาไปทําอะไรก็ได้เคยไปคิดดูใหม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่ยากละทํามีเงินเหลือจะใช้อะไรก็ใช้ได้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์โดยตรงจะแต่วความสุขแท้จริงนั้นไม่ต้องใช้เงินจะแล้วมันความสุขเย็นช่ําชุ่มชื่นพอใจเมื่อกําลังทํางานอยู่ด้วยความรู้สึกว่างานคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการทํางานงานขึ้น ธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่นี้จะช่วยให้เรารอดอย่ไปแขวนเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์อย่าง น, านั้นอย่างนี้ป่วยการช่วยไม่รอดทําหน้าที่ที่ถูกต้องเนี่ช่วยให้รอดได้เป็นพุทธถ้าไปอาศัยเครื่องรางแขวนเครื่องรางอย่างนั้นอย่างนี้นเป็นไสยศาสตร์มันไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่เรื่องของพุทธบริษัทแล้วก็ไม่ต้องทําให้เสียเวลา จงหวังพึ่งตัวเองหวังพึ่งตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอในให้พึ่งตัวเองก็ทำด้วยตนเองทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนเองแล้วก็พอใจยินดีปรีดายกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาเรื่องกจ้าเนี่เรื่องที่จะพูดก็มีอย่างนี้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์ หรือมีหน้าที่ที่จะมจัดระมัดระวังไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่เหมือนกันระวังใหญ่ความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่กระดับทุกข์ได้ขันดับทุกข์ได้แล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราดับทุกข์ได้ด้วยก็ เ, ยเป็นสุขด้วยกันตั้งเราและตั้งเพื่อนมนุษย์ของเราเรื่องมันก็จบหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้พิจิตรพิจารณาเรื่องนี้ดีเป็นพิเศษยิง่งป่าดินแล้งมา ถ้าดำรงตนอยู่ใน้นทางนี้มีความสุขมีความพาสุขมีชีวิตเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปหทุกขที่พาราติการเทินขอยยุติการบรญญาย